เรื่องลีลาการแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์มัน่นท่านพระอาจารย์มั่นเทศผู้ฟังไม่ลุกหนีเพราะลีลาการแสดงธรรมของท่านมีอ้างคำพีบ้างเช่นธรรมบทกุตกานิกายหนังสือที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่บุคคลนั้นที่นั้นเป็นต้นหาแสดงแก่บรรพชิต คือพระที่เข้าไปนมัสการฟังธรรมเป็นครั้งคราวหรือเสร็จ ท, ที่อยู่ประจําดูจะอ้างอิงคำภีร์มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะหนังสือที่ทรงรจนาโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณนนวรโรดต์เช่นบทสวดต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงแสดงมีจตุรารักขา ก, กรรมฐานเป็นต้น ส่วนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้านั้นจะเน้นนวโกวาทวินัยมุกและพุทธประวัติพุทธประวัตินั้นจะไม่ละเลยแม้แต่ครั้งเดียวลีลาการแสดงธรรมต่างๆของท่านพระอาจารย์มั่นท่านเอามาจากพระไตรปิฎกบ้างแม้ในคาภีในนิทานต่างๆเช่นคาภีพระเวสสันดร อ, อุนอิสาวิชัยยสูตรปัญญาปรมีสูตร หรือพระนิพนธ์ต่างๆของสองพระองค์ดังกล่าวก็นำมาแสดงท่านมีได้แสดงเป็นอย่างอื่นแต่ทำไมสิทธิและผู้ฟังจึงเคารพเชื่อฟังและเลื่อมใสท่านว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมสามัญชนพูดมีค่าเท่ากับสามัญโวหารกัลยาณชนพูดมีค่าเท่ากับวิสามัญโวหาร ระอาริยะเจ้าพูดเป็นพระอริยะโวหารมีค่าต่างๆกันดังนี้เปรียบด้วยข้าวเปลี่ยนให้มีรสชาติยิ่งหย่อนกว่ากันได้ที่เล่ามานี้คือสูตรประจำปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์เสา